ฟังทรรูปฟังหูดีรูปพูดหูแม่ค่อยจะดีเสียงก็แม่ค่อยจะมีให้ฟังเอาทรรมที่เป็นคำพูดอย่ามาเอาเสียงอย่ามาเอารูปผู้พูด เฉียงธรรมไม่อย่ทุกทุกคนสัมผัสได้เราได้มาปฏิัติกรรมฐานตามแบบสติปัฏฐานซึ่งพระพุทธเจ้าได้บวิขึ้นเพราะปฏิบัติอย่างนี้ เราก็มาทาตามที่เช่นทางุทธเจ้าได้เกิดได้อุปัติขึ้นมาทําตามนี่เกี่ยวกับเราทุกชีวิตสติปัฏฐานเป็นภาษาวัดวัดเรามักจะเรียกว่าปฏิบัติแบบแนวหลวงท่อเทียน ก็ยังไม่ถูกปฏิบัติแบบการเคลื่อนไหวถูกมาหน่อยหนึ่งถ้าให้พูดถึงเป็นสากลปฏิบัติตามนักสติปัฐานแบบสมปัญญะบัพพะอาณาบัพพะสมปัญญะบัพพะคืออริบุต อาณาบัพภะคือลมหายใจจิตตบัพภะมันเป็นทางจิตสรรมบัพภะคือกำหนดรูปกายสมปัญญาเป็นภาคปฏิบัติจดจังบางที่ เราสัมผัตกับสมจัญะบัพะคือมีสติกำหนดรู้ในการรู้เจตนาในความเพียรมีศรัทธาทำได้ทุกชีวิตอยากรู้เมื่อใดก็รู้ได้แต่รู้เป็นข้างเป็นข่าวไม่ค่อจะมีประโยชน์ ต่อลูกแบบต่อเนื่องเปิดหลัดมีสติปายนกา ย, ยาเป็นประจำามีสติปายนกายก็เห็นเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับกายนักมามืายหล่อย่ามีสติมีสัมปชัญญะ รู้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่าพัดไปกับอาการที่มันเกิดขึ้นหลงภาเป็นตัวเป็นตนได้ ห, หลงเป็นตัวเป็นตนบันล่อนช้าสองมชยะบาปะสติจะไม่แจกล้าถูกตัดขาดอยู่เรื่อยถ้าเข้าไปเป็นไปกับมันยืนให้มันชงเชินกองว่า ให้รู้สึกตัวให้เห็นสติสัมจัยบัพพะมันจะเกิดอาการเห็นไม่เชยรู้เป็นการเห็นพบเห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องสุขเรื่องทุกข์ที่เกิดกับกตายหลายอย่าง มันจะโต่อไปเป็นทำให้เป็นสุขเป็นทุกเรียกว่าเวทนาอ่เอาเวทนาว่าเป็นุกเป็นทุกเป็นตัวเป็นตนลันก็โน้นชาให้เห็นดังที่พระเจ้าได้แสดงไว้กายส ก, ากุลกายเวทนาสก่าเวทนา มันจะมันจะไว้แล้วก็มีมีหยักมีหลักยืนสมชยาบับพพะกลับมาสมชยาบับพพะนี่ถ้าบางทีมันไม่เพียงพอเอาอาลนะับอาอาณนะาบับพระร่วมก็ได้เช่หนห้อยใจเพ้ากับกำ ม, มือ หายใจออกกวางมืออายใจเข้ากำมือหายใจออกกำมือแล้วแต่เราจะหัดเพื่อ น, นิน่งจิตส่นไหมันทึบเพื่อให้มันลู้ให้มันเล่นจ๋าเรียกว่าทั้งอาณาบัปปะทั้งสัมพัยบัปปะรวมกันให้มีพลังในกำลอง อย่าไปจนเรื่องอุปกรณ์เอา ม, มาเึกหัดเรื่องมือมันมีพร้อมอยู่แล้วในชีิตของเราตรงหายใจก็มีอย่าหายใจทิ้งๆการเคลื่อนไหวก็มีอย่าเคลื่อนไหวทิ้งๆมีตัณนามีศรัทธาทำหลักเป็นหลักเป็นเกณฑ์ ฝึกตนสอนตนต้องพอสองควรต้องบอกบันรวามเพี้ยนใส่ใจศรัทธาบรรจัดจติดหรือบรรจัดเปิดได้ชำนี้ชำนานไม่ได้เรียน ไม่ได้ฝึกหัดเรียนเป็นนุกลบอลถ้ามันเป็นแล้วมันก็ง่ายจะดวกไปหลายอย่างจนถึงจิตบำป็นทางจิตเห็นจิตเห็นความคิดมันจะง่ายบันเห็นความคิดถ้าไปเอาความคิดไปบังคับจิตไปดูจิตเลยมันจะยากถ้ามันแข็งแรงอยู่ที่กอน เห็นกายเห็นเวชนาเรื่องเห็นจิตก็กง่ายมันพัดกับไปในความคิด้็มีสติกำหนดกายยังอ่อนเอชนายังอ่อ น, ออนไม่เข็งแรงก็ความคิดก็ดึงพาไปไหนได้ง่ายเสียเวลาเราหมอฝึกให้มันดีเหมือน เก็บตกให้ได้เอารายละเอียดเก็บข้อมูลให้มันเสร็จเป็นงานเป็นงานาปแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่สนับสนุนในเรื่องข้างหน้าง่ายขึ้นส่วนกวอมคิดกวอมคิดนี่ ไม่ไม่มีอันดีบทใดที่มันกำหนดได้แต่เนั้นก็มีพลังทมให้ลืมง่ายลืมอันีบทที่เป็นสัมผัสแบ บ, บพาตอยู่ที่กาอยู่ที่อารมหายใจก็ได้มันจไหลเข้าไปอยู่ในความคิดพัดเข้าไปอยู่ในความคิดเราจึงมาเริ่มให้ดีเริ่มต้นให้ดีเส้นแข็งไว้ให้ดี เวลามันเชื่อเสียงมันเห็นคิดก็ง่ายละวันมันคิดขึ้นมาลู่ง่ายๆต้องเห็นมันคิดที่มันลูเนี่ยมันมันได้ข้อมูลดีกว่ากายได้ข้อมูลจากความหลงเกิดจากความคิดความคิดที่เกิดจากความหลงมันข้อมูลที่ที่เป็นต้นเหตุมันก็มาจับตรงนี้ง่ายดีด หรือว่าการมัเป็นทางจิตมีสติดูจิกมีจิตดูกิตไปเลยจนเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกิตเป็นความปุง่งป่วนเป็นความรังเลยสงสัยเป็นความงอหงอนจนอุศนอกุศลควาคิดอย่างเดียวมันก็บอกถึงกุศล ความคิดเดียวบอกถึงอกุศลไปเจริญตัณหาลาคข้ขึ้นมาจากความคิดถ้าเรามาเห็นมันจริงจริงมันก็มันก็เห็นท้นตมันไม่หลักได้ฐานตรงนี้ส่วนเรื่องอื่นก็ง่ายตกวัเนเห็นธรรมก็ง่ายตะวัเนเห็นจิตก่อนจึ่ไปเห็นธรรมเห็นควาคิดของมัน เกิดจากความหลงในความรู้สักตัวเฉื่อยในหลงในความคิดตอนตื่นก็ง่าย ม, มาหมดเร <c oughs> าไปอยู่กับธรรมหลายอย่างมากมายเป็นปิติเป็นความสงบเป็นความพุ่งช้านใดมากมายเกิดจากกิจมีอาการที่ เกิดจากกิดขาแสดงไปถึงกายโคบคุมที่กายได้เราํำนานตรงนี้ํำนานทางเหมือนเราเรียนวิชาทำนานสาขาไหนํำนานในสาขาด้านพอได้ประคัดมาจนไปเห็นลูกเห็นนาม ตามความเป็นจริงไม่หลักด้วยฐานมากขึ้นรูปมันบอกนามมันบอกเหมือนรูปที่มันแสดิงอะไรบ้างมันบอกรูปทำน้มทำมันบอกรูกทุกน้อมทุกมันบอกรูปโรคดับโรคมันบอกรูปสม ม, มมุติน้อมสมมุติมันบอก มีวัตถุอาการที่มันเกิดกับรูปนามนี่ได้หลักได้ฐานได้ข้อมูลผมบอกผิดมันจึงเห็นถูกเห็นมันหลงมันจึงเห็นความไม่หลงเห็นรูปมันทุกข์มันจึงเห็นควาไม่ทุกข์รูปมันไม่เที่ยงจึงเห็นความ ความจริงของควมไม่เที่ยงรูปบรรดินทุกจะเห็นความเท็ของจริงของความเป็นทุกข์มันเลยไมงโก้มันฉลาดฉลาดที่มันได้เห็นที่มันแสดงให้เห็นเราดูตัวเันเหตความจริงที่มันเกิดขึ้นกับลูกวัตถุอาการาต่างๆน่าอูเป็นอย่างไรเป็นสมมุติเป็นบรญญัติสมมุติบัญญัติ ทำให้เราผงปรมสมมุติบัญญัติปิดบังปรำมัิเอาไว้รีบวปิดบังเวทนาเอาไว้นี่ว่าลือโถอนการรีบวต่างๆปิดบังเวทนากายเป็นพบงอมไว้พอเราเห็น เวทนาเห็นอาการเคลื่อนไหวเห็นรูปเห็นน้มตามความเป็นจริงมันจะบอกไปหมดเปือกจับได้ไล่ทันได้ผลพวงได้ขยายผลเหมือนเดิมเจ้าที่ จับยาเสพติดขยายผลออกที่แรกก็จับได้คนเดียวพอสอบสวนสืบสวนไปขยายผลออกจับได้ทั้งหมดหลายคนมันมอาจาับไหนวันนี้ก็เหมือนการงานปฏิบัติเนี่ยมันมีความหลักความเท็จความจริง ในความไม่จริงมันก็มีความจริงที่มีอยู่ในที่นั่นในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์อยู่ที่นั่นแต่ก่อนเราต้องวมาตัวเราซะจนอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความทุกข์ก็เป็นทุกข์ในความหลงก็เป็นหลงในความโกรธก็เป็นโกรธบทนี้ไม่จนตรงนี้ไม่จนเลยที่เยอะตรงนี้ ไปปัญญาเรื่มันหลงเรื่ความคิดที่มันเกิดจากความหลงหยอกให้มันคิดแต่ก่อนไม่หยากแต่ก่อนไม่หยอกให้มันคิด บ, คบังคับเท่าไรก็ไม่สําเร็จบทนี้อยากให้มันคิดขึ้นมาดได้เห็นมันได้หมันมือสักหน่อย เวลามาคิดหลงขึ้นมามันมือมากได้เปลี่ยนหลงเป็นลูที่มันหลงคิดขึ้นมาเนี่ยได้รู้ได้เห็นมันเน่ยมันสมน้ำหน้ามันเหมือนกับแย่ข่อยสิ่งที่ผิดให้มันถูกขึ้นมามันจะสูญเสียมันจะเสียหายเหมือนกับมันจะพัดตกลงไปจับไว้แทน นี่มันจึงเป็นภาพชีวิต ท, ที่มนุษย์้อมที่สุดเป็นทั้งศาสตร์ป็นทั้งศิลได้เปลี่ยนความหลงที่เกิดจากความคิดในสติปัญญาตรงนี้มากกว่าอย่างอื่นเป็นตะวหวานของชีวิต ท, ทั้งหมดก็ว่าได้แต่ความคิดเนี่ยมันพาให้เป็นไปหมดแต่มาคิดอย่างใดเป็นสุขเป็นทุกข์ได้ พอใจไม่พอใจได้เป็นใหญ่แบบนี้มันจับตัวโผตัวกาอมันได้ก็เลยง่ายหรือว่าควาเห็นทางจิตแร้วพระเจ้าได้ตัดสะลูกพากกันมาเป็นทางจิตอย่างนี้เพราะฉะนั้นวิธีปฏิบัตินี้มันเปิดเผยเปิ ด, ปดอก ให้ยึสระแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะศึกษามันมันจะคิดก็ได้เราไม่ห้ามมันแต่เราจะมีสติได้หลักได้ฐานมาได้บทเรียนมาสืบสวนมานักสืบสวนสติเป็นพิภาคษาตุลาการได้ข้อมูลได้ข้อเท็จข้อจริงจากที่มันแสดงออกมาดูจบหมด แล้วก็ปล่อยไปก่อนอาจจะปล่อยไปก่อนแล้วเขาแสดงไปอะไรที่มันป่อยมากๆความหัดบ้างในความหลงมังู้ความหลงหนึ่งไม่ใช่หลาดความทุกข์ควาโงู้ความโกรธอะไรที่มันเกิดอกุศลเป็นความง่ที่สุดแล้วมันแสดงออกมาเถอะแล้วเรามีสติมันมีวิภาคสาัมีตุลาการที่เกิดความไม่ทาได้อยู่ในความไม่เป็นธรรม วัตถิบธรมมันสนุกสนุกนะรู้สึกว่ามันสดชืน่นรู้สึกว่ามันมีฝืมือไม่เคยพบเคยเห็นแม่คืเล่าตัวเองเหมือนกับเราสวดพสสวระสูตรธมพระพระสูตรที่พระเจ้าโชว์มากที่สุดคืออริมึกเนี่ยะเนินอยู่ตรงนี้ทั้งหมดเลย บุญ อ, อยู่ตรงนี้แล้วอรมัศคือลอยคือศีลนั่นเองศีลคือลอยอยู่ที่ไหนก็ อ, อยู่ที่เราทําอย่างนี้มีสติมันก็มีศีลแล้วความชั่วยอยู่แล้วมีสติมันก็ทําความดีอยู่แล้ว มีสติกิจเขาบริสุทธิ์อยู่แล้วเป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธิเป็นทั้งปัญญาถ้าพูดถึงอริมรกที่เราศึกษาที่ปฏิบัติอยู่มันก็อยู่ที่นี่ทิฏฐิสมทิติความเห็นโชคเห็นหลงเห็นลูกโรมจะเห็นช่อบ เห็นความหลงเห็นความรู้เห็นความทุกข์เห็นความไม่ทุกข์เห็นเมื่อนเห็นไขเห็นรูปเห็นน้ำตามความเท็ความจริงเห็นโชบดำริโชคไม่มีถ้าเกิดความเห็นไม่มีใครทิ้งงานทิ้งงานนี่ไว้มันหลงไม่มีใครไปยอมอยู่กับพวงหลงดำริออกไป หาความรู้งาทุก์เป็ไม่ใครอยู่กับความทุกข์ต้องเคยความเห็นชอบหรอหนีพ้นจากความทุกข์ได้ในว่าทำได้ชอบพูดจะชอบพาะสาที่พูดที่ตกวิจารติดในธรรมช่วยเยอะเห็นเงื่อนเห็นไข เป็นสมมาวาจาเป็นศีลแล้วเนี่ยเป็นปัญญาเห็นชอบดําดิชอบพุจาชอบดาดิชอบเห็นชอบดําดิชอบเป็นปัญญาแล้วออกหน้าเลยทีเดียวเบี่ยงตุวเรามา มีสมชะ บ, บัพเพ็ญเนี่ยได้หลักตอนนี้ก็เกิดความเห็นชอบเป็นมาดีชอบกายเป็นปัญญาทันติขึ้นต้นเลยทันติผู้จาชอ บ, บ้านงานชอบเลี่ยงชีวิตชอบเป็นสินล่บวะเนี่ยมีความเพียรชอบตั้งใจมีสติชอบตั้งใจมั่นชอบ เป็นสมาธิแล้ววะเนี่ผลที่สุดไปถึงสมาธิเป็นผลงานของศีลเป็นผลงเป็นผลงานของปัญญาเป็นผลงานของศีลจนสุดได้เกิดสมาธิสมอาธิเป็นงานที่ลื้อถอนงานลื้อถอนในาสสารเทวพูด สมาสมาธิมีอะไรบ้างมีวิตกวิจารปิติสุขเอกะขะตามันมีผลงานตั้งแต่ฝันยาวตั้งแต่ศีลมาต้องไม้เห็นตรงนี้มีโอเวคขาได้วิตกวิจารมีเวขาจนถึง เห็นต้องสุขเนต้องทุกที่เป็นปลายทางสุขทุกข์อุเบกขาในฌานนี่ไม่ใช่อุเบกขาในภพมมหารอุเบกขาในภรเ ม, มหารนี่ต้องเริ่มต้นจากเมตตากุณาเมตตาจึงมีอุเบกขาอุเบกขาในฌานนี่มันสูงมันมาจากที่วัน มันวางมันเห็นเรามันมวาง่าเห็นหมดสิ่งที่เกิดขึ้นกับรูปกในนามไม่มีตรงไหนที่ปิดบังได้มันผ่านมาหมดมันไม่มีสิ่งที่น่าเอาหน้าเป็นในความไม่เที่ยงในความทุกข์ในความไม่ใช่ตัวตนที่มันมีในรูปในานามมีความเกิดเจ็เจ็บตายอยู่ในรูปในานาม ร้องเกิดเจ็บเจใจในความหลงความเกิดเจ็บเจ็บใจในความโกรธในความเกิดเจ็บเจ็บใจในความทุกข์ร้องเกิดเจ็บเจใจในความรักของชังความเกิดเจ็บเจ็บใจในความพอใจไม่พอใจเหมันลูกหมดจบทุกข์เหมือนลูกหมดมันยังวางนรืว่าอุเวขาในชาน เมันมันเบอร์แล้วมันก็มันก็มามสุขเกินทุกข์มีสติเลยวันสุดท้ายาวางสุขวางทุกข์มีสติผุดเป็นเอกไปจุดหมายปลายทางไม่เมลยัยมีสติ คือจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติที่เราทำอย่างนี้มาเหยียบเส้นทางได้ไม่มีใครหลอกกันได้รเรื่องนี้เราะตอนที่เราได้ยินได้ฟังจากคำสอนพระเจ้าเราก็ทำตามคำสอนนั้นเมื่อเราทำตามคำสอนนั้น เกิดตการต่างๆแล้วก็บุกเบิกมาเกิดตการต่างๆลูาเห็นความเท็จความจริงเห็นมันผิดเราก็แก้ไขให้มันถูกเห็นมันหลงเราก็แก้ไขให้มันรู้เห็อมันทุกข์เราก็แก้ไขให้ไม่ทุกข์เห็นปัญหาเราก็มีปัญญาสิ่งที่มันถูกก็ทำไป ร้องผิดเป็นบทเรียนความถูกให้เราไเลยดำเนินไปเราก็บอกไปเรื่อย เ, อยเหมือนก็นเราได้หลอกได้ถอนได้กดเกณฑที่ได้จาก รูปจากนามและจากผลเรียนในจากพิธีปฏิบัติไม่ใช่เป็นของดุนด้นดุนด่นเดาเดามีหลักสูตรเป็นขั้นเป็นตอนไปถ้าแต่เราอย่าอย่าสุม่มอย่ามั่วอย่าทิ้งเป็นการบ้าน ใส่ใจสักหน่อยเวลามันหลงใส่ใจในความหลงเวลามันผิดใส่ใจในความผิดเวลามันถูกใส่ใจในความถูกอย่าให้ผิดเป็นผิดอย่าให้ถูกเป็นถูกให้สติมันเด่นอยู่เสมอเรื่องใดที่เกิดขึ้นอย่าให้ไม่เอ็นดูนของหน้าให้สติเป็นตัวน้อมอยู่เสมอรู้สึกตัวอยู่เสมอก็พนดษู้เดก็กอนรู้อยู่เสมอไอ สิ่งอื่นนำหน้าเป็นความคิดมันหลงมันคิดให้ความคิดนำหน้าดีจะคิดไม่ได้ตั้งใจแล้วก็มีสติรู้ออกหน้ามาันเองเห็นมันคิดนำหน้าแล้วนคิดเป็นคิดสุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ทุกข์ก็นำหน้าผิดก็นำหน้าถูกก็นำหน้าแล้วก็ไม่ เป็นหัวหน้าได้เหมือนเราทำงานไม่ได้ฝึกตนสนตนก็เป็นรรากหน่้อยจะฟังคำสั่งคนอื่นเราพึกขัดจนมีสอดมีสิ้นเป็นหัวหน้างานได้เป็นหัวหน้างานก็สะดวกมองผิดมองถูกทำอะไรก็สำเร็จ สังาารสัรงการได้ถูกต้องสติมันจะเป็นหน้าหวัวหน้าในการมาไปถึงมรรคถึงผลไม่ใช่เหตุผลมันไม่มรรคมีผลจุดหมายปลายทางนะวิธีปฏิบัตินี่ยิ่งสมหูนแบบสติปัญฐานี กายบพะสอมัจยาบพ ะ, ะ, บบพะอนาปะบพะกิตตบพะถ้าพูดเป็นถ้าพูดเป็นภาษาจักหน่อยเป็นวิชาการสักหน่อยถ้าพูดเป็นภาษาที่มันไม่เป็นวิชาการแบบการเคลื่อนไหวแบบหลงเข้าเทียนนั้นก็ ผู้พี่เป็นวิชาการจริงๆเขาก็ไม่ไม่ค่อยรู้จักอะไรก็หลงข้อเทียนหลงผ้อเทียนมันหมายถึงธรรมะเราจะเมตนจารับป็นชอบเรื่องนี้จริงๆเอาคอเป็นประกรันถ้ามีความรู้สักตัวเลย ่นได้มันใบ ม, มนใบ ม, มันวีซ่าดิพาสปอร์ตผ่านได้ทั่วโลกแต่บางประเทศแต่บางประเทศนี่ไม่มีพาสปอร์ตของของพาสปอร์ตอื่นบ่างประเทศนิวซีแลนด์ มีลูกศิษย์คนหนึง่งเขาไปเป็นเขาไ ป, าปอยู่นิยงเชลนพระเจ้าปอดเขาเนิวงเแลนด์สามารถผ่านหลายได้ประเทศเพราะว่าใครถือพระเจ้าปอดเนียงเชเลนเนียงเชเลนแสดงว่ า, าเป็นคนดีแล้วแสดงว่ า, าเป็นคนดีไม่มีพิษไม่มีภัยเขาพัฒนาเขาเป็นคนดีเป็นคนพัฒนาแล้วเขาจึงปล่อยเข้าประเทศี่ยว เลยีนเหมือนประเทศไทยประเทศไทยนี่ต้องผ่านประเทศไหนต้องมีพระเจ้าปอดคนยังไม่ดีไม่ได้พัฒนาแตบุคคลที่ต้องห้ามเข้าประเทศบางทีนี่การเดินทางเข้าสู่มรรคสุผลเนี่ยมันต้องเป็นพัฒนามาจาก สีนสมาธิปัญญาเนะี่ยมีสติก็มีศีนมีสติก็มีสมาธมิมีสติก็มีปัญญาเราต้องตั้งต้นที่นี่ฐานมันจรงิงเราก็ต้องกลัวเราก็มีอยู่แล้วในความพล่องอยู่แล้วมันรู้สมบัติอยู่แล้วเหยียบเช่นทางเดินแล้วไม่ผิดเลย กบับพระส้ำชาติบับพระเอามาผิดให้มันเกิดความรู้คือเมาที่กายนี่แล้วก็มีทวารไม่มากโูดแล้วโพดอีกมีสามทวาร น, น่าจะรักษาคุ้มได้ไห้เหมือนมดแดงไตกระด้งเหมือนเขาว่ากันนะปฏิบัติทมนละมีกายทวารมีมจีทวารมีมโนโทวารเท่านี้เองแค่นี้ก็ ยิบย้อยเหลือเกินถ้ามีสตินะถ้าไม่มีสติก็เหมือนมุดแดงไตกระโดงม่รู้จะคุ้บตรงหน่อยนะมีต่อมีหูจมูกดิ้ง่ายใจรูปรสกินเสียงสมปัตต์อารมณ์ต่างๆเอาไว้อยู่ต้องหาเหยื่อให้มันทั้งหมดถ้าเรามีสติมันจะเป็นใหญ่ ภาษาไรสามทวันเนี่ยมีสติเห็นสติทวนันทวันที่มันเป็นใหญ่คือความคิดความคิดเป็นมือของกิจจากมันเป็นวิญญาณธาตุมารู้อะไรได้วิญญาณนาธาตุเนี่ยมันมีรูปมีนามทั้งหมดอยู่ในรูปในนาม เรามาเห็นนักแต่ที่แรกแล้วบาปฏิบัติตามหลักสติปัฏฐานสี่เนี่ยมันจะเห็นรูปเป็นน้ําเป็นสูตรไปเลยแบบรูปน้ําก็ว่าได้ปฏิบัติแบบรูปน้ําก็ได้รูปน้ําเป็นขึ้นเขียงชํ้แหลดดูมาทีก็เรียกว่าปฏิบัติแบบรูปน้ำเขาเรียกว่าสติปัฏฐานมีสํานักบางสํานัก เอามาขึ้นเสียงเลยทีเดียวดูมันชิเหมือนกับนักศึกษาแพทย์เอาศพไปขึ้นเสียงแล้วก็จำแหลโดูจนไไนายเป็นนายแพทย์ชำนิชำนาญรักษาคนป่วยมีโครคไัยไข้เจ็บหาย ไ, ได้สติสมบัติเจยนยอดเห็นรูปเห็นนามเนี่ยมันบอกเล ย, เยตรงไห น, น เป็นอย่างไรอย่างไรมันบอกเลยว่าลูกมันเป็นอย่างไรน้ำเป็นอย่างไรมันบอกหมดมีสติมันบอกหมดมันมันมันตลอดนัดให้เราเห็นทั้งหมดเลยไม่ได้ค้นหาเหมือนศึกษาการแพทย์ต้องมีมีดมีอะไรไปปาดไปมองไปดูเส้นเอ็นเส้นเลือดอะไรเจ๊งไหน แต่ว่าการศึกษาเรื่องรูปล้าหนาไม่ไม่มีเครื่องมือแบบนั้นมีสติอย่างเดียวเฝดูมันมีสามถาวรนี่เห็นมันแสดงมาหมดรูปเหมือนบอกหมดเปลือกเนํามันบอกบดเปลือกมันก็อันเก่าไม่ใช่อันใหม่ความโกรธก็อันเก่าความหลงก็อันเก่าความโล้ก็อันเก่าที่เหลือตัหาก็อนเก่า ้เราได้เห็นแล้วก็เคลื่อนที่งกายถ้าเห็นแบบสติฐานถ้าเห็นแบบปฏิบัติเราจะกน้นเราอย่าให้เลยว่าข้อมันำได้ให้มันเด่นอยู่เสมอแม้วเวลานี้ออกพรรษาก็ถี่นแล้วก็เป็น สมุติปัญจัตตามมาการแต่ภาพประวัติไม่เป็นไรกับอะไรอันอื่นก็มียเยอะแยะสมุติปัญจัตในโลกนึงอยากไปหลงแต่ม่ก่อนหลวงก็เคยเคยเฉลิกาดตอนนี้ออกพรงษาแล้วก็ถติดแล้วเพื่อนหนีจากวัดหมดไปโน่นไปนี่เราสมัครเข้าวัด จะหมาหวนใหม่สนุกปฏิบัติกวดตอนเย็นก็กวดสนนทางไปกะติหลังนั่นไปกะติหลังนี้กวดไปเข้าใต้ไปหลงที่ศาลากวดศาลาไม่ใช่ขี้เกียจทีา่านอยู่คนเดียวยิ่งยิ่งขยันยิ่งไม่หลับไม่นอน ไมนใช่เสือกาดี้เกียจชีคาารอยู่คนเดียวยิ่ยงรับผิดชอบสูงอึในที่สุดเลยกะตีก็หลายหลังดูนุ่นดูนี่ไปบางทีก็เดินจงกรมในหน้าปาดูฝนเนี่ยแผ่นดินมันเงียบในป่าดูฝนสัตว์พิษก็ไม่มี บางทีก็เดินจู ก, กรมตามเส้นทางเหนื่อยก็นอนตามทางเลยถนนทางก็เหมือนวัดป่าโชกโตเนี่ยเกลี้ยงดินมันอัดดีเห็นลูกหลังอัดดีนั่งลงนอนลงลุกขึ้นไม่ได้ปัดจะลอยเลยมนไม่มีฝุ่นอยากนอนตามถนนทางก็นอนตางดีนอนกลางคืนเหมือน ไม่ระมัดระวังต่อตัวเหมือนหมูเหมือนหมาไม่ให้ตัวมีค่าไม่ชะโงนตัวไม่มีค่าอะไรเราไม่มีค่าอะไรเลยมีแต่กิเลสที่ทำํำลายปอสนกุกสนุกเลยบางทีนอนอยู่กลางวันมี ง, งลูลวยข้าม แล้วก็นอนผ้าคลุมหัวมีพระรูปหนึ่งเดินมาอาจารย์อาจารย์งูร่วงข้ามเนี่ยน่ยก็ดูกระดิกเด้อกูข้ามเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันแหนัก <laughs> มันแังหนักตนนัวนึงงูกำลังข้ามไปนะมันนึกว่าขอนไปอะไรกันะอยากกระดูกกระดิกให้มันข้ามไปก่อนล้วก็นอนก็เลย <laughs> โอ้มันไปแล้วก็พระก็เดินมางูอะไรหนึ่งงูสิงงูสิงฉิงโด่งบางทีก็เป็นมีตเป็นเพื่อนกับเนากับสัตว์กับโรกกับแต่หยอกลอกกบมีถ้าอยู่คนเดียวจริงๆรนาะคุ้นเคยกับสัตว์ แตกันทุกคนอยู่ที่นี่ก็เหมือนกันนะอ่ะ้ก็ยืดเถอะอพวกเรามงั่นใจในการปฏิบัติปรกอบเป็นกรรมขึ้นมาเขาสุดยอดเลยละสุขละทุกข์เฉได้เหมือนบัางไฟขึ้นสูงแล้วหมดพลังงานทิ้งควันไปไปดูบัางไฟไหม มันทิ้งควรบอกมันทิ้งควรมันขวงอยู่เนี่ยมันขวงอยู่เนี่ยเนะบ้างไฟทิ้งควรหวงอยู่ไม่ลงในในเด้งเด้งในไม่มีพลังงานเพราะไม่มีทุกไม่ทุกไม่มีตัวมีตนทิ้งทําเวลาได้ดีกลัวจะลงในชนะเลิศป <c oughs> ฏิบัติแบบบั่งไฟทิ้งควร ละสุขละทุกข์เสียด้ไม่มีตัวมีตนหมดอะไรว่าลงตรงที่ไหนมีไม่เป็นอะไรไม่มีไม่เป็นอลไรไม่เป็นอะไรกับอะไระคือบ้างไฟทิ้งกวนใช่ไหม <c oughs> ไม่เป็นอะไรกับอไรเนี่บั้งไฟทิ้งกวนสุดยอด <c oughs> อจบเฉยอ้าว